ธรรมชาดกแผ่นที่สิบลำดับที่สิบเจ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27พฤษภาคม2556มีชื่อเรื่องว่านายช่างทองโสดาบันวันนี้เป็นวันที่27 พุทธสภาคมพุทธศกราช2556พระในวัดของเราตามที่ท่านพระเวณรายงานพระ35ลงมาฉัน28งดฉัน7นาคหนึ่งแล้วเมื่อวานพวกเราคณะสัตยาติโยมและพระสงฆ์บางส่วน ก็ได้ไปงานไปชุมเพลิงหลวงพ่อคูณสุเมโธวัดป่าภูดินอำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีของเราเนะนมรณาภาพตั้งแต่วันที่สิบสองด้วยโรคหัวใจล้มเหลวเรื่อง mm hmm. หัวใจขาดเลือดเริ่หัวใจวายสัษอย่างนั้นคือฉับพลัน ก็ได้มรณาภาพนูนอยู่ที่ปดังเมซาภาคใต้ท่านจะไปข้ามไปมะเลพปนสุขก็เลยมรณาภาพแบบสับพลันเสร็จแล้วได้นำสศรีละของท่านกลับขึ้นมาถึงวัดของท่านวันที่13าวันที่13บตอนบ่ายแล้วก็วันที่13ตอนเย็นสวดอุธถธมรม เสร็จเรียบร้อยลุ ง, งพ่อเป็นองค์แสดงธรรมรู้สึกว่าฝนตกแรงมากวันนั้นแรงมากๆเลยในช่วงปีนี้ว่าวันนั้นนะฝนตกแรงมากจนอึ่งอ่างกบเขียดร้องเสียงสนั่นวันไหวไปหมดพอฝนตกหยุดแล้วลุงพ่อก็ได้เทศในวันนั้นแต่ก็วันที่ยี่สิบหกวันอาทิตย์ที่2ี่สิบหก สองอาทิตย์ก็ได้ไปชุมเพิงเมื่อวานตอนบ่ายสี่โมงรู้สึกว่าพระสงฆ์มากนะดูะระสง์พระมากญาติโยมก็มากแต่ว่าการจัดงานศพการจัดงานเรื่องป ร, รำพิ ธ, ธีหรืออะไรเนระรู้สึกว่ามีอุปสรรคอุปสรร ก, กับฝนฝนตก โชบมากในช่วงนี้แต่เมื่อวานขณะว่าโชคดีอย่างมากอีกฝนไม่ตกแล้วก็แต่แดดร้อนเปรี้ยงนะแล้วก็หม่อมหลวงสาราีกิติยกรน้องพระ อ, องค์สมเป็นผู้แทนพระองค์เป็นผู้แทนพระ อ, อ, อ, องค์สมมาในงาน เมื่อวานก็งานก็เป็นไป ด, ด้วยดีเรียบร้อยทุกอย่างราบรื่นพอเสร็จพอวางดอกไม้จันทร์เสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อก็หาทางออกมากลับรู้สึกว่าโอ้โหก่อนจะออกมาก็เหมือนกับพึ่งแตกรังอย่างนั้นน่ะคนออกมาเยอะไปคนละทิศละทาง ลดออกมาติดอยู่แถวทางออกคอคอดนะก็ใช้เวลานานพอสมควรออกมาเมื่อวานสรุปแล้วก็คือไม่ว่าครูบาอาจารย์ไม่ว่าศราาาัทธาญาติโยมหลวงพ่อเองมายืนอยู่จุดนี้จุดนี้คืออะไรจุดนี้คืออายุหกสิบเจ็ดหกสิบเก้า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 เท่าเทียมอายุใกล้เคียงแล้วก็การงานที่ผ่านมาก็เห็นกันจากนั้นก็ล้มหายตายจากจากไปบ่อยมากแต่เมื่อวานก็ได้ยินขึ้นมาอีกอายุก็ไน่ละใกล้กับหลวงพ่ออีกเหมือนกันเป็นผู้การตำรวจแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ยิน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 เพราะมันศูนย์แต่ถ้าว่าตายแล้วเกิดอีกนะจุดนี้แหละเป็นจุดที่พวกเราจะต้องคิดหนักละท่านะก่อนที่จะแยกย้ายออกจากร่างนี้ออกไปนะเราจะมีทุนติดกระเป๋ามีเพชรนินจินดามีบัตรเ t m เอมติดกระเป๋าของเรามากน้อยแค่ไหนอันนี้แหละท่านว่าอย่าตั้งนึอยู่ในความประมาทให้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 พอไปฟังแล้วก็เกิดความครบนับถือเลื่อมใสโอ้อยากจะให้พ่อฟังแล้วเกินแต่พ่อเนี่ยไปที่ไหนไม่หนีออกจากบ้านเหมือนคนโบราณอย่างงั้นอ่ะคือขายทองกลัวจะขาดรายได้ในการขายทองเฝ้าร้านทองตลอดแต่ลูกชายเนี่พอปิดร้านทองแล้วก็นุงเข้าไปฟังพธ ร, รมเทศนาของพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวัน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 เพื่อไปหาเงินหาทองนะท่านมองไปลไปจะเกิดประโยชน์ไปในคราวนี้เราจะไปเทศยู่จุดนั้นพ่อของช่างทองที่ไม่เคยเข้าวัดนะจะได้สำเร็จพระโสดาบัิพร้อมกับพวกลูกๆทางหลายที่มาร่วมกันถวายพระตาหารพระสงฆ์แล้วก็พร้อมจะถวายทานในวันนั้นเราจะได้แสดงธรรม พวกเขาเหล่านั้นจะได้สําเร็จพระสูดาบันเป็นอย่างน้อยถ้าตำกว่านั้นก็ได้ถึงพระไตสรณคมยึดพระพุทธทเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งลักษณะอย่างนั้นพวกตรงมองมอ ง, มองท่านท่านมีญานรัศนะเนี่ยท่านมองลวงหน้าไปก่อนมันตรงกันข้ามกับพระทุกวันนี้พระทุกวันนี้บางคนไปที่ไหนจะรวยไปที่ไหนญาติองคก็จะถวายเยอะนะ พระพุทธเจ้าท่านไม่ได้มองอย่างนั้นท่านมองท่านจะโปรดเวท น, นยสัตว์ทางหลายจากนั้นลูกช่างทองก็กล่าพอาราธนาพระพุทธองค์ก็รับอาราธนาจากนั้นพอถึงวันก็พระพุทธองค์ก็พร้อมกับพระสงฆ์เข้าไปฉันในบ้านที่เขาจัดเป็นที่ตอนรับพระพุทธเจ้าพอพระพุทธองค์สันพระทหารเสร็จเรียบร้อยแล้ว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 ต่นี้พระพุทธองค์เขาั้งกดจำเพาะเจ้าโจงท่านจะเทศให้เตี่ยรือพ่อของนายช่างทองเพราะใจของเขายัางเหมือนกับมันมีสิ่งปิดบังคาว่าเมฆหมอกปิดบังแสงสว่างไม่สามารถที่จะมองเห็นได้ในอัตในธรรมพระพุทธองค์แสดงธรรมพะได้แสดงธรรม ไปแล้วท่านก็ถามว่าโยมโยมจะได้เดินทางไกลนะจะได้เดินทางทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดต่างท้องถิน่นค่อยๆไม่ได้อยู่กับบ้านและโยมได้เตรียมได้เตรียมพร้อมในการเดินทางหรืออย่างได้คิดล่วงหน้าไว้เลยอย่งว่า เราไม่ใช่เราจะอยู่ที่นี่ตลอดไปไม่ใช่นะเราจะต้องเดินทางจำเป็นจะต้องเดินทางอยู่ไม่ได้เราจะต้องเดินทางก่อนที่จะเดินทางเราได้เตรียมอุปกรณ์การเดินทางเครื่องอำนวยความสะดวกเรื่อต่อไปภายภาคหน้าเมื่อเราไปอยู่ข้างหน้าเราได้เตรียมพร้อมหรยังว่าอุปกรณ์หรือว่าสิ่งที่เราจะใช้ในอนาคต ต่อไปภายภาคหน้านะเมื่อเราเดินทางเราไปถึงจุดหมายปลายทางที่เราพักเราจะคิดไว้เลยอย่างถ้าไม่คิดคิดซะนะคิดไว้นะเดินทางแน่ๆ น, นะก่อนที่เราจะเดินทางเสื้อผ้าของเรามีพร้อมอะไรอย่างกระเป๋าเดินทางพวกรองเท้าพวกร่มเรื่องของที่จะใช้ในกระเป๋าของเราเตรียมพร้อมไอย่าง เราวางแผนไว้ที่ไหนแล้วจะไปพักที่ไหนเดินทางไปจะไปพักค้างที่ไหนก่อนจะไปถึงจุดหมายปลายทางเราได้คิดไว้แล้วอย่างถ้าไม่คิดๆใช่ไหมถ้าไม่คิดนั่นแหละการเดินทางของโยมเนี่ยลําบากแน่ๆตกทุกข์แน่พอเดินทางไปด้วยความไม่ตั้งใจแบบทุก ป, ปัตุปเปโุลักตวเลไปถึงพอถึงเวลาแล้วก็เดินทางไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลย แต่เมื่อยังมีชีวิตอยู่กับนู่นอะมกมุ่นกับการทำมาหาเลี้ยงชีพหมกมุ่นกับการเงินการทองพอผลในสุดแบมือทั้งหมดเอาไปด้วยไม่ได้สักอย่างที่หามาไว้นั้นและทีนนี้จะมาที่จะเอาของที่จะใส่กระเป๋าก็ไม่มีเพราะมันกระทันกระทันหันกระชั้นชิดเกินไปเสียแล้วผลในสุดก็เดินแบบตัวเปลือยตัวเปล่าไม่มีกระทั่งรองเท้าร่มก็ไม่มี เสื้อผ้าที่จะติดกระเป๋าไปก็ไม่มีเราจะได้รับความลาบากนะถ้าเราไม่คิดไม่วางแผนไว้ก่อนอันนี้พระพุทธเจ้าท่านตรัสให้พวกญาติโยมลูกของนายช่างทองลูกหลานนายช่างทองฟังนายช่างทองจะรุ่งอีกเหมือนกันนะโอ้ใช่เราไม่ได้เตรียมพร้อมอะไรเลยจากนั้นพวงกทเทศน์นะว่าการจบแล้ว ช่างในช่างทองเต้าแก่ช่างทองได้สำเร็จพระโสดาบันก็พร้อมกับพวกลูกๆพอท่านเทศจบตรงนั้นท่านก็กล่าวอริยสัจทุกสมุทยัยนิโรธมรรคอนิจังทุกขังอนัตตาให้ฟังก็ได้สำเร็จพระโสดาบันนี่แหละการทําว่าโชคดีอย่างมากคล้ายๆกับว่าเป็นพระโสดาบันนนะเป็นผู้ไม่ตกต่ำพร้อมที่จะ ก้าหนุนขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นพระอระหันต์เป็นผู้ไม่ตกต่ำละ่ะพระสูรดาบันแต่ถ้าว่าไม่ได้ม่ได้ฟังธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเขากคงจะคิดว่าการทำมาหาเลี้ยงชีพการหาเงินหาทองเนี่ยแข่งกันกันกบโลกเนี่ยเลิศประเสริฐที่สุดแต่ในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกประอย่า การส่อแสวงหาเงินคำทรัพย์สมบัติมากมายยังเป็นอยู่ในโลกอยู่จะว่าจัดว่าฉลาดยังไม่ได้ถ้าว่าหาธรรมเข้าสู่จิตใจด้วยหาเงินทั้งทงโลกด้วยทั้งโลกเราก็ไม่ขาดตกบกพร่องแล้ว็ธรรมในศีลธรรมเข้าสู่จิตใจเตรียมกระเป๋าเดินทางเตรียมบุญกุศลเข้าสู่จิตใจด้วยอันนั้นแปลว่าผู้ฉลาดได้ทั้งสองทาง ทางโลกก็ไม่ขาดตกบกพร่องและก็ทางธรรมก็เป็นผู้เตรียมพร้อมตั้งอยู่ในความไม่ประมาทนั่นแหละเป็นผู้ฉลาดแต่ถ้าว่าเราจะแสวงหาแต่ธรรมเข้าสู่จิตใจอย่างเดียวเราก็ต้องมาบวชเป็นนักพรดนักบวชเป็นชีประขาวแล้วก็มาภาวนาอันนั้นได้เพราะเราทิ้งทางโลกแล้วก็จับทางนี้เลย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 ชีวิตมาถึงมาจวนตัวเข้าไปแล้วก็หาที่พึ่งอย่างอื่นไม่ได้ปล่อย เ, อเปล่าล้างมือแบ่มือไม่ได้อะไรเลย เ, เพอเพยังทํากรรมชั่วติดตัวไปอีกต่างหากยังเป็นหนี้พลงพลังอีกหนี้คืออะไร ค, คือทํากรรมชั่วไปฆ่าไปป่นไปคดไปโกงไปทคํความคความชั่วเสียหายมากต่อมาก ทำให้จิตใจดวงนั้นได้รับความทุกข์ยากลำบากกรรมการกระทำความชัว่วติดจิตติดใจดวงนั้นไปอีกต่างหากเนเพราะนั้นพวกเราที่เป็นพุทธศาสนิกชนพุทธบริษัทสิ่งเหล่านี้เราต้องได้คิดได้เตรียมตัวเตรียมใจอย่าตั้งอยู่ในความประมาทหว่านมือวานอย่างที่หลวงพ่อได้พูดหลวงปู่คูนท่านก็เป็นพระ เถระผู้ใหญ่บวชมานาน 47, สาี่สิบเจ็ดพรรษาท่านบวช ท, ที่หลังหลวงพ่อพรรษาหนึ่งแต่อายุของท่านมากกว่าหลวงพ่อปีหนึ่งถ้าท่านบวช ท, ที่หลังห ล, ลวงพ่อปีหนึ่งแต่ท่านอายุเจ็ดสิบหลวงพ่อหกสิบเก้าพรรษาของท่านสี่สิบเจ็ดหลวงพ่อสี่สิบแปดนี่แหละถ้าจะว่าไปแล้วก็ ถาหวหา่าพวกเราคิดโอ้ยังน่าจะสูงกว่านี้ไปอีกแต่จะทำยังไงได้ชีวิตไม่ใช่เราจะกำหนดกฎเกณฑ์ได้พยาบรมจุราตหรือว่าท่านเอามาเพียงแค่นั้นผมเล็กคิดให้เพียงแค่นั้นเนี่ยผมคืออะไร ค, คือกรรมกรรมเล็กคิดให้ได้เพียงแค่นั้นกรรมเป็นผู้กำหนด จะอายุสั้นอายุยาวกรรมเป็นผู้กำหนดกรรมคือการกระทําผู้ที่อายุยืนยาวทำำํากรรมอใ น, นอดีตไว้คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์แล้วก็ส่งเสริมให้พวกอาหารสัตว์ทาบุญทําทานกับเพื่อนมนุษยชาติส่งเสริมเรื่องอาหารเรื่องยุกเรื่องยาเรื่องอะไร ไม่ฆ่าสัตว์ไม่เบียดเบียนสัตว์อันนั้นคือกรรมดีในอดีตแต่ถ้าว่าผู้ที่อายุสั้นก็ชอบฆ่าสัตว์ลังแก่สัตว์เบียดเบียนสัตว์ทําให้ลร่างกายทุกพลภาพเจ็บไข้ได้ป่วยและก็พร้อมกันชีวิตสั้นด้วยสรุปก็คือเรื่องปานาสินข้อปานาเรื่องเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนี่นะ เรื่องเกี่ยวกับชีวิตหนึ่งคือสินข้อปานาเพราะนั้นอย่าเราเราอย่ามองข้ามนะไม่เจ่าเห็นหมดเห็นปกเห็นอะไรก็ บ, บี้ไปหมดฆ่าไปหมดไม่ได้นะอันนั้นก็คือบาปกรรมตัวนั้น่ะจะตามสนองติดจิตใจสําหรับพวกเราไปประหลกภายภาคหน้าอันนั้นแปลว่ากรรมชั่วตามแต่กรรมชั่วจะทําซะเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วจะให้ผลเมื่อภายหลังฮะนี่แหละ อันนี้แนหะคือกรรมชั่วแต่กรรมดีนะั่นคืออะไรอย่างที่หลวงพ่อได้พูดให้ไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาปฏิบัติธรรมอันนี้คือกรรมดีเมื่อเราทํากินกรรมดีและกรรมดีก็ตามสนองอีกเหมือนกันแปลว่าทั้งสองทั้งสองอย่างจะหลวดสองตัวนะตามใจของเราจะหลวดตัวหนึ่งผลักดันให้ไปสูงสง่งขึ้นไปเรื่อยๆอแต่จะหลวดตัวหนึ่งตามไปเพื่อจะทํำลาย จะทำร้ายทำรายเราอมันตามไปทั้งสองนะกรรมดีกับกรรมชั่วเพราะนั้นพวกเราให้ทำแต่กรรมดีกรรมดีแล้วมีแต่ จ, จลวดที่จะผลักดันไปสู่สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆชวันสั้นพรมขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงนิพพานฮะเอ่บุญกุศลนั่นแหละจะเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนพวกเราเพราะนั้นอยจะตั้งอยู่ในความประมาทอย่างที่หลวงพ่อได้ปูดชีวิตเป็นของ ไม่เทียงแท้แน่นอนอย่างหลวงพ่อคูณหลวงปู่คูณของเราจากไปเนี่ยแหละแล้วพวกเราท่านทั้งหลายนะจะต้องเดินตามแนวแถวหลวงพ่อคูณนะไม่มีใครที่จะหลีกลี้หนีพ้นไปได้หลวงพ่อเองนะยัหลวงพ่อบอกหลวงพ่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทนะบอกแล้วบอกอีกสอนแล้วสอนอีกเมื่อตัวเองไม่ตั้งอยู่ในความประมาทแล้วยังอบอกพวกเราท่านทั้งหลายอีกลูกหลาน ทุกคนเอออย่าตั้งอยูยในความประมาทนะขนาดหลวงพ่อนะ่คิดเต็มใจแล้วสิ่งไหนที่เป็นคุณงามความดีสิ่งไหนที่เป็นบุญกุศลสิ่งไหนที่จะพ้นทุกในวัฏสงสารทำเต็มที่เลยในจุดนั้นนะรับพร อ, อนุโมทนาให้พร